ในตอนก่อนได้พูดมาถึงจริยาที่ปฏิบัติให้เรถึงความเป็นประโสดาคตฏิผลแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของประสดาร่ั้นสตกขตุมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเรว่าเราใช้การพิจรารณาอันดับแรกพิจรารณาถึงความตายเป็นอารมณ์ การลิดถึงความตายมีบรรดาช่พุทธบริษัท ต, ต้องรู้ว่าเป็นศูนย์สำคัญที่เราต้องคิดเป็นปกติแต่ลงไม่คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวที่เรลวเลวกันนัดยมากมาทจะคิดถึงความตายยิงได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่งางขาดวิจแลโอษฐ์ปะ อิทธิฤทธได้ความละอายความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วจะทำความเล่าร่อในติดที่เลมกันมาได้ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดนิ้ธิโอตัปปะก็เป็นอันวา่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูง ยิ่งเป็นวิสุทสมิมนเนด้วยแล้วคนเร็วมากเต็มทีที่เราทำสอนแต่ละคราวต้นตอนเย็นตอนเช้าตอนกลับคืนตอนวันตอนดิดก็ตามไ ม, ม, ม่กระเตงก็อยู่เสมอว่าอันเรื่องความตายเป็นอารมณ์จะได้ประกอบความดีนองค์สมเด็จพระเยนศรีเองก็ได้ทรงตรัสเกี่พระสารีหุดทุกสานล ว่านันทาดูก่อนอ น, นุนเราเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้าเป่นจอมอรัริยะหรืว่าเป็นจอมข้าสมณะทั้งหมดพระองค์ก็จะกำหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิตเพราะอะไรทุกาะคนที่นึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึก ว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีนี่ถ้าไม่นึกถึงความตายมันก็ขาดฤทริ์โหตปะัดถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในในรกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภ ท, เ ท, เภทอชิรกายมีภาวะประเภทสติในฉัน นี่ผลร้ายสำหรับคนที่ไม่นึกถึงความตายทั้ขาดฮิริโดตปะปัดฉะนั้นขอท่านหลายเมื่อจะสร้างความดีก็จงตรงจิตไว้ในด้านฮิริโดตปัดควบคุมกับความรู้สึกตัวว่าเราจะตายความจริงความตายมีสองอย่างตายประเภททิ้นลมปราณนั่นอย่างหนึ่ง ตายประเภศที่มีลมปราณนั้นอย่างหนึ่งตัวอย่างสิบนนางสามาวดีกับหญิงห้ารอยถูกนางมาคณิยาอิชาลิศยาในที่สุดเชื้อจ้างให้นาชายเชืออาเข้าไปเผาก็ใส่คนนางหญิงห้ารอยให้ตายพร้อมกันแต่หญิงเลือห้ารอยนั้นมีความไม่ประมาทในชีวิต ก็รวมจิตเป็นประโสดาบันอยู่แล้วยิ่งได้แนะขระนำกันว่าพวกเราทั้งหลายจงอยากโสดในพนามาคณียาจงอยากโสดในมาชินมาคาชินมาคณียปรามผู้เขาเป็นสัตว์จงมีจิตคิดให้อภัยแก่คนละสองเรื่องรัรดรวบรวมกำลังใจสร้างความดีให้สูงยี่งเป็นไป ในขณะไฟที่ใกล้จะมาชวนจะเผาตายก็ปรากฏบางคนได้เป็นพระสกิทาคารีบางคนบรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้พเพราะอะไรพระรู้ว่าความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหมดทั้งห้ารอยคนไม่มีความประมาทในชีวิตรวบรวมงกำลังจิตปรงขันหา้าบรรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสั้งขาทั้งยานในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่วมันก็ตายการตายแบบนี้องค์มสมเด็จพระกินศสีบริมศาสตรดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทราบเพราะพระสงฆ์บรรายงานให้ฟังเมื่อหญิงหา้าร้อยมีนางสา ม, มาว ด, ดีเป็นประธานก็งโงูกไปเขาตายองค์สมเด็จพระจอมใจต้ทรงทรา ปาพิจวีร์รก่อนที่สุขทั้งหลายยิ้งห้าร้อยจนถึงว่าจะตายแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระเรียเจ้าเป็นสูงเป็นพระสิรีตาคารมีบ้างเป็นพระนาณาคารมีบ้าง เป็นอันว่าท่านเป็นสกิทาคาเมียรนี่ฮบายาภูไม่ต้องพูดกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เป็นานาคาเมีตายไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานบนนั้นนี่องค์สมเด็จพระปกเวันกล่าวว่าเขาพวกนั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวขึ้นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตปกติ สำหรับพันนางมังคันุมาคันธิยาถูกพระเจ้าเท็นบุรงษัตร์สั่งประหารชีวิตพร้อมด้วยพวกไรยัในฐานะที่เป็นจอมอิจฉาวิพิยาบวกคนอื่นริอิจฉาริพิยาพันนางสามาวดีพร้อมด้วยห้าร้อยที่เป็นบริวารจนกระทั่งถึงความตาย ในที่สุด้ี่เจ้าเทนบรมกรารศัตรมบาเท่าเธอก็สั่งให้จับพธนามาคันดียากับบรรดาญาติทั้งหลายโดยเฉพาะญาติทั้งหลายเหล่านั้นให้ขดทุ้มปังนง่มาซึ่งตัวแล้วให้ฟางมาสมให้เลยหัวสั่งเาไฟจุดแล้วก็เอาชางใช้ไถเหล็กช้างเตรียมไถเหล็กเดินไถพวกนั้นข่ายกลางตัว แล้วขาดตายด้วยการทร ม, มานอย่างยิ่งสำหรับตทรนางมาคันธิยาจอมอิจฉาสยาเป็นอหน้าคนในด้านทำลายความดีของบคคลอื่นพระเจ้าเท็นบรมการศัตริย์บำบาท้าวเือให้จับหกมือสองมือแขวนเท้าไว้จิกับพื้นให้พมวา ม, มวนยัดใส่ปาก แล้วเชื่อเนื้อทีละชิ้นเอเมทแทสมันทอดสุกแล้วบังคับให้นางมาคริยากินจงกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระุทสีกล่าวว่าบางๆาคริยาในสมัยที่ยังไม่ตายเหมอทก่บุคคลผู้ตายแล้วคือมีแต่ความชั่วไม่มีความดีตายจากความเพลีสุขมีแต่ความเลวร้อน ในการที่จะบำเป็นตนให้เป็นประสูดาบันเราก็ต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นพระสดาบันไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าเสียดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรร ม, มะกันทุกวันวันละหลายเวลาแต่ยังจะคับความชั่วคือขาดมิริดาโ อ, อตะกลัเข้าขมาเป็นประจำ ตามที่เคยปฏิบัติรมาในการก่อนก็รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปสําหรับการเกิดเป็นคนไม่สมควรก็เอาภาพของมนุษย์เข้ามาสวมกายเอาใจกับว่าสิ่งของภาพมนุษย์โดยเฉพาะอย่างที่งถ้าเป็นิีสุสมัเลนก็ยิ่งเร็วมากที่สุดเพระว่าปีสุสมัเลนก็ต้องมีอธิศีถียรศึกษาอธิกิตศึกษาอธิปัญญาศึกษา ดังนั้นจงพยายามรวบรวมกำลังใจให้ทรงไวจเกขาะความดีอย่าปล่อยให้ความเร็วมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกเพรความเร็วไม่ให้ผลแห่งความเป็นสุขแก่บุคคลผู้ผปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความ ร, าร้อนเช่นเดียวาา ก, ยกับนางมังคติยายงหยาเนึว่าจะมีใครทนคราณีในฐานะที่เราเป็นคนเร็ว มันหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครก็ไม่ตาปราณีนคนเลวในการลงโทษเราก็จงอยากคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทำความชั่วมันก็สร้างความราร้อนให้เกิดขึ้นแก่เรา้นเมื่อใครเขาพูดเรื่องความชั่วข่อะไรเราก็สะดุ้งเพราะเราคนเลว เระวิจารคุณตัดว่าอัตานาโจทย์ยับตานหนังโจย์เตือนตนไวเ้เสมอด้วยจึงโจทย์ ต, ตนกล่าวโทษตนไว้เพื่อปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของบุคคลอืน่นถ้าเราเร็วมากเท่าไรเราก็เพ่งเร็งความเร็วของบุคคลอื่นมากเท่านั้นถ้าเราดีมากเท่าไรเราก็ไม่มองเห็นความเดวของบุคคลอืน่นเพราะยอมรับนับถือกฎของกรรม ที่เรายังเป็แสหาความเร็วของคนอื่นเสียดสีเขาบ้างพูดกระทบกระเทียบเขาบ้างทําลายความสุขใจเขาบ้างนั่นแสดงว่าเรามันเร็วถึงที่สุด ข, ของความเร็วคือความเร็วมันไม่ไขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจาคือมันลน้นเรวจนลน้นนี่ขอท่านทุกคนจงจําไว้และก็พยายามในตัวเสมอ อย่าไปมองดูความเร็วของคนอื่นมองดูความเร็วของตนไม่ต้องไปปรับตรุงคนอื่นเขาปรับตรงเราเราให้มันดีที่สุดนี่จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงระนึกถึงความตายแล้วก็มีฮิวิโลตปาหอยความชั่วเกรงกลัวความชั่วความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้เป็นอย่แล้วเราต้องเป็นผู้มีสี ถ้าทำลายความสุขขอ ง, ของคนอื่นจะชี้ว่าเราไปพูดมีศีลได้ยังไงทำลายความดีของคนอื่นเราจะไปพูดมีศีลได้ยังไงกิจขอเราที่จะทำนอกจากอธิสิทธิ์นิสิตาแล้วก็ทรงเป็นอธิกิจนิสิตาอาธิกิจนิสิตาจะทรงกิจที่อยู่ในด้านของความดีเรียกว่าฌานสมมาบัติ ชาต um si ิมาบัต um si ิพระวรนึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรมมิหารสี่เป็นเครื่องประจําใจถ้าเราอายความทั่วเพกรงกลัวผลของความทั่วก็ต้องใช้พรมมิหารสี่ธรรมามาครับเกล็ของอารมณ์ของจิตเมื่อเอาพรมมิหารสี่คือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมด กุลนามีความสงสารปรารถนาจ้เกื่อคุณให้มีความสุขมุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาา้าในสัญญาของคนอื่นไม่เห็นคนอื่นได้ดีก็ร่อยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเน้มแ่อกดคงกรรมและกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดขึ้นมันสุดที่ใสยที่จะฟื้นรับได้เราก็วางเฉยมไม่ดินดน้นรนจอไม่ซ้ำเติมให้บุคคลอื่นได้รับความทุกข์ นี่ถ้าการทั้งสีอย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ที่เราต้องชั่วกันก็เพราะขาดมิริโลตบัตขาดนึกถึงความตายขาดโทมิหารสิถ้าขาดสิ่งทั้งสามเรื่การนี้สิ่งของเรามันก็ไม่ ม, มีจะทรงเพศเป็นพระจะทรงเพศเป็นเนยจะทรงเพศเป็นอมาสุข ม, มาสุมาสุขการ ก็ศักด์ที่ว่าเพียงคงมีเพื่อเท่านั้นอย่างนี้พระธรรมปุรชาถือว่าเทนะแปลว่าหัวขโมยคือเอาขโมยของเพศสัมณะมาใช้กับน้ําใจจริงๆนั่นเลวยิ่งกว่าสัตว์กระชัานก็สัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วมันจะรบกวนกันเขาก็เป็นสัตว์ยีนาบายยาคู ถ้าคนเรามีน้ำใจทายสัตว์ไม่ยอมรับนับถือความดีสิ่งกอะไรกันมันก็เลวกว่าสันี่ต้องเป็นนามตนอย่างนี้การเป็นนามตนต้องเป็นนามให้หนักอย่าเป็นนามเบาอย่ามองไในได้ของความดีแม้กระที่ที่เราทรงอยู่ในพรอม่พี่น้องศิล้วมีอะไรบ้างที่มันจะมีสุขสุขเกิดขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวางศีล ควา ม, มเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระต้สนสุขุก็มีความบริบูรณ์เพราะอะไรว่คนที่ทรงศีลบริสุทธ์แสดง ว, ว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ตัว่าพระพุทธธรรมประสงค์ทรงแนะนําให้จิตอยู่ในขอบเขตนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจิราศีเป็นต้นเราจึงมีศีลบริสุทธ เราจึงรู้จักความอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วเราจึงได้มีการประกอบความดีด้วยจิตทรงทรงพรมีหานสีคนที่มีจิตทรงพรมีหานสีมีอิริโตตัปปะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็ไม่เจอความแยกยิงก็มีแต่ความเป็นสุขเราก็เป็นสุขพกคนอื่นก็เป็นสุขร่างกายไม่เสียปากไม่เสีย ทางนี้เขาว่าใจไม่เสียแต่กายเสียป่าเสียก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากจนถ้ามันล้นมาทั้งกายมาถึงวาจานี่เป็นอันว่าจะทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระสงฆ์ดามันก็ย่อปรากฏที่นี้สําหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนเพราะจะมีเวลาพูดไหมพอพูดต่อไป เวลาพู้กันมาด้านของพระสงฆดาวันมันประกอบพระองค์สี่ระการคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในบัตธรรมสา ม, มีความเคารพในพระสงฆ์สมีศีลบริ ส, สุทธิ์นี่เป็นองค์ของพระสงฆดาวันแต่องค์ท่านหลายอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานในเบื้องต้นที่เราคิดว่าจะต้องตาย จงอย่าคิดไวสองวันสาวันตายจงคิดไ้เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้และตายก็ต้องจงตายดีตายอย่างพนางสา ม, มาวาดีพร้อมอยู่ห้าร้อยอย่าเป็นคนมีลมปรานจะวิายินตายจากความดีอย่างเราของนางมากันที่ยาเ <c oughs> นี่ยสำหรับอนุสติที่เร่งปฏิบัติ ในควันเป็นประสดาบันก็หนึ่งมรณานุสติกรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2. พุทธานุสติกามฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สามธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของธรรมเป็นอารมณ์ 4. สังขานุสติกามฐานนึกถึงความดีของสองแห่งอารมณ์ อาศีลานุสติตวารานนึกถึงความดีของสีเมลอารกหกพรมิหารสีในนี้ไม่เรียกว่านุสติใครคนในพรมิหารสีจะเป็นกรรมฐานครองเหนี่ยวนารมและเ็อุปสมานุสตินึกถึงปณิพนเป็นอายโรทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นต้องนั่งภาวนา ให้ใจใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตามีนักปฏิบัติที่ดีเขาใช่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาหลับตาทําท่าเป็นคนจะดีแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วความอัปลีมันก็เกิดในจิตอิจฉาที่จะยาวกว่าคนอื่นกลางแกล้งกว่คนอื่นคิดตัว่นงพัฒนาได้กว่าคนอื่นเป็นต้น อย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้ตายแล้วไปอบายาภูเรียงว่าแต่เป็นประสูดาบันเลยกลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจจิตตามนี้อันนี้มาพูดกัมาัล้ในด้านประสูดาบันแล้วขอตอบปรีนิตรถึงอารมณ์ของพระสกิทาคามีสำหรับพระสกิธาคามีและ่ยทำจิตให้ละเอียดลงไปกว่านั้น จะระงับโลภะความโลภระงับโทสะความโกรธระงับโทหะความหลงให้เ่าบางลงยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แต่ว่าเ่าลงไปความโกรธยังมีอยู่ยับยั้งได้ไวเร็วความหลงยังมีอยู่มันก็มีการเตาตัว เป็นอนัตต์ทังความโลภความโกรธความหลงมันป่าบางกว่าพระโสณาบันท่านยังเรียกว่าสกิธาคามีสำหรับสังโยคละองค์ก็มีความประพฤติเหมือนกันแต่กิริยากว่าอันนี้พอเราจะระงับความโลภความโกรธความหลงไล่ทีละตัวมันลำบากเราก็มายืยนจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลางก็คือทรงทำพเมืองหันศีคลื่นขัดมีความมั่นคงในพเมืองหันศีมากขึ้นมีฮิลิโลตปะมากขึ้นนึกถึงความตายเห็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้นนี่ในเมื่อเรามีพเมือาหันศีมีฮิลิโลตปะนึกถึงความตายใจมันเลิศโล มัเลิกโนบตรงไหนเพราะมันจะตายรู้ทาการคำบรรลมันเรียกว่าการเทเกียร ต, ต่กายเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารและหาทรัพย์สินมาได้ด้วยสมาธิวะไม่จัดว่าเป็นความโลภต้องอากายเกินพอดีสําคัญขึ้นอยาที่ได้ขเขาไม่คนอื่นแม้จะไม่ทำใจมันก็อยาก อยากเกยอเขาอยากจะคเห็นเขาอยากอิจฉาหรือขยาเขาอยากทุกอย่างที่มันได้ของความเร็วอันนี้ตัวอยากตัวนี้เกตังดมันได้ทีได้ด้วยอนาจขมรรคานสี่และฮิริเลตปะและมรณาลุสติกรมฐานอารมณ์สามักายเรพปกปุมขึ้นมาอยอยากได้ของเขาทำไม ได้มนแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตายมีเท่านี้ก็พอกินหากี้นแบบนี้มีได้เท่าไหร่พอใช้พอกินอยาหากินให้มันรวยกว่านี้ก็หาขี้นด้วยความกติกาไม่ถูกโทษก็ยังเป็นสกิทาคารีอารมณ์อีกอันหนึ่งของพระสกิธาคารีที่มีความหมายสําคัญก็ ค, คือพยายานให้อภั ย, ยแดกผู้ผิดแต่เราเองก็พยายามไม่ทําความผิดอยู่เสมอ ทรงอารมณ์ปกติในมรณานุสติกสมาฐานเคร่งครับเคารพในคนพราตระไตรัเคร่งครัดมีฮิริโลต ป, ปะเคร่งครัดมีศิลเคร่งครัดมีพรมิหันสีแข็งกร้าวในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่อำนาจของความเร็วนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลา ตั้งน้าการ์ตนาจะสร้างคนอื่นให้มีความสุขมีอุปสมานุสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีจับจิตใจรนะักพระนิพพานอย่างยิ่งเรี่งเท่านี้จิตใจของบรรดาโดพุทธบริษัทใจยิ่งที่สุดสเท่ามี่นี้ถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสกิทาธรรซึ่งมันเป็นของไม่ยากที่ยากเพราะเราอยากเร็ว ถ้าคนอยากดีขอสโวนดากศสุธาคามีไม่มีอะไรจะยากอะตรสงหรับเวลาการที่จะพูดกันหมดแล้วต่อจะนี้ไปขบรรดาถน่งางไร้ตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มันเรามหลดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาแต่ความจริงไม่มีความสําเป็นลนะัก ใกล้กคนตามวาจาทีร่รามมันั่นดีกว่าจึงกว่าจะได้ยินเทียนบอกโมดเวลา